ต่อไปนะครับข้อที่แปดิบสี่ใช่ไหมเป็นข้อที่สองของของบ้านไรนะครับรัตนวัคโขข้อที่สองของรัตนวัชนะครับที่สู่รูปใดคืนเก็บเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีซึ่งรัตนะหรือเครื่องใช้สอนที่สมมุติกันว่าเป็นรัตนะก็ดีที่วางอยู่หนะ้ที่ใดที่หนึ่งยกเว้นสถานที่ภายในอาดาง หรือภายในที่พักที่ของโยมที่ตนไปพักอยู่ต้องอาบัดปาติปีอหนึ่งที่ถู่เก็บเองหรือใช้ผู้อื่นเก็บไว้นล้วก็ดีซึ่งรัตนะหรือเครื่องใช้สอยที่สมมุติกันว่าเป็นรัตนะก็ดีที่วางอยู่ภายในนาราหรือภายในที่พักก็ดี เป็นเก็งราักษาไว้เพื่อที่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้จะนำมาเอาไปการเก็บราักษาไว้เช่นนี้เป็นภาระย่ที่ดีงามในเรื่องนี้ถ้าเป็นเจ้าของหลง่นะครับ อ, อันนี้นะหรือคำว่าของก็จะน่าสมมุตินะครับเอาทั้งของกินของใช้หมดเลยนะหม้อเครื่องกระเพบบริโภคมันเลย คือลัตตนาก็ลัตนาสิบอย่างที่ท่านจะบอกครับพอจำได้ไหมครับลัตตนาสิบอย่างมีอะไรบ้างเงิน <Okay. S 1> ทองแก้วมณีแก้วมุนนกมดา <Yeah. S 1> แก้วไพลทูดแก้วขมทาน <Yeah. S 1> สาม <Yeah. S 1> สีลา <Yeah. S 1> ท้าวพิมบุษราคำเนี่ยสิบอย่างนะครับลัตนาสิบอย่างเนี่ยนะแล้วก็ของลัตนาสมมุติ พัฒนาสมมุติก็หมายถึงว่าข้าวของเครื่องใช้ของโยมทั้งหมดเลยนะทั้งของทีกก่เครองใช้หมดเลยนะครับพัฒนาสมมุติเกิดเขาทําหล่นไว้ตกไวนะ้ข้างนอกนะครับไม่ใช่ในวัด น, นะ น, นะี่ก็ไม่ใช่ในวัดด้วยแล้วก็ไม่ใช่ที่ที่เราไปพังอยู่ด้วยอาจารย์ดึกบป็นดือนพิศบาสนะครับเห็นมือถือหล่นอยู่เครื่องหนึ่งนะครั บ, ร บ, รบโอ้โหรุ่นไอโนเกียยนะุ้งม่ยุ้งไหม่ล่าสุดอ่ะราก็เลยโอ๊ะใจ เก็บให้เจ้าของหน่อยนะครับเก็บเจ้าของหน่อยเดียวแกตามหาใช่ไหมแกจะลำบากแล้วค่อยไม่อยู่นอกวันนะเก็บให้เจ้าของมาไม่ว่าเก็บเองก็ดีหรือว่าใช้หุ่นเก็บแห้นะครับเอาแนนช่วยเก็บให้เขาหน่อยนะเนี่ยแล้วค่อยดูเบอร์โทรเราแล้วโทรตามหาเจ้าของนี้นะครับต้องไปตีในสิคาบุนี้นะครับเพราะของนั้นไม่ได้อยู่ในวันนะหรือไม่อยู่ในเราพังของเขาเราไม่ช่วยเก็บของให้ยมข้างนอกนั่นไม่ได้นะ บางทีมีโทษนะครับเขาจะมาเอาเรื่องเ ร, งเรานะเขาจะพิว่าข้าสิไปอะไรเขาใช่ไหย<ม>เดียเด๋ยวดูตามเรื่องมันจะมีต้นบัญญัตินะครับนนไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าถือเอาเรื่องของมองสกสกุลเลยนะครับได้ถ้าเป็นมือถือนี่ได้ทำใจใช่มือขอที่มันสมควรกับสมณะเกี่ยวเอแล้วก็เดินบิดาบามาสานี่มาหลายวันแล้วนั่นนี่เหม็นใครมาเอาไปเลย แสดงว่าเขาที้แล้วไม่อ่อนแล้วครับบางสืบคุณนะแสดงได้ได้ครับไม่เป็นนาบัตนะคิดว่านะเที่ยวเขาทิแล้วเขาไม่ห่วล้วงแถไม่นะครับของเราไม่ได้ครับวไม่เห็นเลยปัจจัยเรื่องอะไรตั้งถนนใหญ่อย่างี้ของเขาอะไรก็มันร่วม ล่วกระเป๋าใช่โยงเก็บเอาอย่าผิดนะผิดสินไม่ผิดจะขาดไปอ๋อมันก็อยู่ที่ใจเรานะเรารู้ป่าว่าเขายังห่วงอยูย่ไหมรนนไรเราไม่รู้ว่าเป็นของใครเลยเนาะแต่เราเขา้าใจว่าเป็นยังไงเราเข้าใจว่าเขาไม่เอาแล้วอย่างนี้รู้ป่าวเาทาร่วมเขาไม่เอาแล้วแน่นอนเพราะว่าเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหม อ่ า, า อ, อย่างนี้แหละคือเขาเรียกว่าถือเอาด้วยเป็นของมังคุณนะเข้าใจาว่าเจ้าของเขาทิ้งแล้วเขาไม่เอาแล้วเนี่ยเขาทำหลวนเขาคงไม่มาเอาเก็บเอาไปแล้วล่ะเขาก็นั่งรถไปที่ไหนแต่ทไหนก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมเราคิดอย่างนี้นะเคบเป็นของลิขเจ้าของเขาไม่เอาแล้วใช่ไหมแล้วก็ถือเอาอันนี้ไม่มีโทษอะไรนะนี่แหละก็ถือว่าไม่ผิดศีลอย่างไรนะแต่ถ้าว่าของและเจ้าของเขาห่วงแหนอยู่แล้วเราก็รู้ทางรู้ว่าเขาห่วงแหนอยู่นะ อย่างเงี like ้ยมาสกคุณไม er. ่ขึ้นเรามาสกคุณมันถ้าเรารู้ทั้งรู้อยู่เงี้ยแล้วก็ไปเอามาด้วยจิตที่จะรักใช่ไหมอันนั้นก็จะผิดสิแต่ว่าถ้ามันไม่เงี้ยไม่ผิดนะใช่เปเจตน์ของเราว่าเราถือออกแบบไหนใช่เราเราจะใส่ใจยังไงที่จะออกนะใช่ใถ้าใส่ใจถูกก็ไม่เป็นทกไม่เป็นทรมัย ที่จะครับอันนี้ถ้าของพ้า น, นะ <c oughs> จะไปบางสุกุลเอาเงินในทองไม่ได้ <c oughs> ถ้าของไม่่สมควรเป็นสมณะบางสุกุลเอ า, าได้ในตัวเองที่เข้าใจว่าเจ้าของเขาไม่เอานะ้วใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเป็นเงเป็นทองบางสุกุลไม่ได้ก็ดไปบางสกุลเอาเงินในทองมานะครับก็จะต้องบัตร น, นิติที่เยาไปตีครับคืรื่องนั้นอีกนะถ้าเป็นเงินในทองใช่ไหมถ้าเป็นรัตนน้าอย่างอื่นนะครับแก <c oughs> ้มูดาแก้มนินแก่ไปถุยไปต้นพวกนี้นะไปบางสุกุลออกมาเนี่ย ก็จะต้องอาบัติทุกคนนะครับอันนี้นะไม่ได้นะครับ้เกิดไปถวายดีเี่ยตักได้มาต้องออต้องแหมงมาตราส่งเนี่ยอ๋อครับครัใช่ครับเก็บ้นมาแล้วกมาสะระส่งว่านี่เป็นวนถึงนิสิคีเลยนะครับหมูว่าเราต้องอาบัตินสิกคีเพราะว่าไปบางสุกคุณรามกีนนงมาแล้วแล้วก็มาสนะท่ามกลางสงครับ สงวนทำวิธีสละนะนิสละให้โยมไปเลยนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะเก็บเอามาไม่ควที่เก็บเอาม า, มมาตั้งแต่เราตัดปัญหาไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บเอามามเก็บเอาม า, ม ก, ม า, ม ก, มามก็ต้องบั น, นะครับมันไม่ควรอยู่แล้วก็ปลอยไว้อย่างนั้นแหละไม่สมควรแต่สมณะ น, นะครับใครเหนเก็จัดการกันเองนะถ้าอย่ครันคือว่าบางทานบุญมาได้บุญแล้วไปรวมที่ใจไปนี่เป็นบุญนะครับ <c oughs> อนี่นี่รยเียกัวมที่คุณเจะได้บุญครับโยมที่มองถึงคุณเทบยังไงเหรอนี่วั้าพเจ้ยุคที่มองถงคุณเทพคนที่ตายจะได้บุครับแล้วมีถวายทุกตัวมุนไม้กับตัดแจ้งมายคนไปมีคนตายที่จะได้บุญน่ะเขาไอคนที่ตายแล้วเขาจะได้บุญอ๋อเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไม่รู้เรื่องเขาถวายเงินให้พานหรือเ่นะถวายครับถวายเงินให้พานอ๋ นั <ài> ่น <Lilly> ก็ทำบุญคนที่ตายจะได้บุญไหมทําบุญแล้วไม่บริสุทธิ์นะว่าถูอไม่สมควรนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าสภาพัดนะถ้าเป็นโยกเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเขาจะว่ามันถูกต้องใช่ไหมมันก็ยังไม่เป็นโทษแะไรเขานะครับตรงนั้นสิงนั้นก็เกิดได้นะข้าก่อนน้ำหม้อเขากิดกุศลใช่ไหมเขาสามารถที่สุทิ์กุศลให้แก่ผู้ตายไปแล้วได้นะ่ครับ แต่ผู้ตายจะได้รับบุืไม่ได้รับก็ อ, อีกเรื่องหนึ่งน ะ, ห, ะนนหนือว่าไปเกิดในคพอบครูไหนแต่ว่าถ้าปฏิภาห์หกนะครับมันไม่ค่อยดีไม่มีสีอย่างเนี้นะ <c oughs> อันสองข้อไม่ใครบุญนะครับมาที่เป๋ก็รับไม่ได้นะอย่างที่อาจารย์สมุนท่านเล่าฟังครั้งก่อนใช่ไหมเปลี่จะไปรับสมบูรณนะ์ก็ไปเจอแต่พระที่มีนะยากเขาทํำบุญกับพระที่มีดีเท่านั้นนะครับเป๋ก็ไม่ได้รับส่วนรุ์เลยนะนะครับนามานะันลบมาก เราข้าวไม่หอกน้ํานะข้าวข้าวไม่รีดข้าวกรีดใช่ไหมเพราะว่าถุที่ไม่สมควรถ้าข้าวกระดิ่งนะก็ลองเนี่ยนะอันนี้สมก็ไม่เคยบูรนะครับอิทธิปฏิคาของเองะนะียหลายอย่างนี่แนะครับต่อไป น, น, นะครับนด้นกันยังไงนะ่ะอ๋อถ้าว่าแม้แต่เป็นของแม่ตัวเองนะไปตรงยนอกว้านนี่ก็ไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นเงินทองนี่คืนไม่ทนตัหน้านี่ยังไงก็เก็บมาไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเป็นของเนี่ยถ้าเป็นของแม่เราเนี่ยเรารู้เนี่ยโอ้ยแม่ของแม่เราจําหน้าอะไรชิ้นนี้นะเกิเป็นมือถือของแกใช่ไหมครับเราจะเก็บไว้ให้เพื่อไปคืนแกนี่ก็ยังไม่ได้ทำแต่มีวิธีว่าให้เก็บมาทำเป็นของส่วนตัวก่อนถือวเป็นของตนก่อนอย่างนี้นะครับแล้วทำมาให้กันทีหลางอีกทีนะอย่างนี้ถึงจะได้นะครับอันนี้เป็นอันบันไดคนนี้เพราะว่าไปเก็บไว้เพื่อจะคืนเจ้าของ นี่นะครับต้องบันนะแต่ว่าต้องบันไ ป, ไปตีใดนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นของที่โยมเข้ามาทําหล่นไว้ในวัดนะครับหรือในที่ที่เราไปพักอยู่ถึงว่าจะเป็นบ้านโยมนะแต่เราไปพักอยู่ชั่วคราวใช่ไหมครับโยมก็ทําทหล่นไว้ไม่ใช่เป็นเงินทองนะครับถ้าเขาเก็บไว้ให้ได้ะคร mm ับ hmm. เนี่ยแค่ทากระเป๋าตังหล่นใช่ไหมแล้วก็เจ้าตัวเขาไปแล้วไม่ทันได้รู้ตัวหรือว่าเทงมาอย่างนี้นะครับ ถ้ะสามมันจะเก็บมาให้ได้เกิดเพื่เคืนเจ้าของนะต้องเก็บให้ด้วยนะครับถ้าไม่เก็บมีอานใบต่างหานนะเปนะาบัตทุกคนนะครับเพราะเราไม่เก็บให้นะของเขาจะเสียหายใช่ไหมใครเก็บไม่ได้เลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะคืนเจ้าของมีเบอร์โทรเบอร์เก็โทรไปดิโทรไปตามนะนี้นะครับหรือว่าประกาศแจ้งให้ทราบขึ้นบอนกระดานเขาแล้วแต่งนะครับให้เจ้าของเขามารับออกไปนี่นะนะครับ วิธีการตามหาเจ้าของเขาบอกว่าสมมติว ouais e e ่ากระเป๋าตังมีเงินอยู่ใช่ไหมครับให้เราสังเกตให้ดีนะว่ากระเป๋าตังกระเป๋าตังสีอะไรลักษณะไหนนะครับแล้วในกระเป๋าตังน่ะมันมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับแบงค์ร้อยบห้าร้อยแบงคห้าสิบแบงค์ยี่สิบเหรียญมีกี่เหรียนเหรียญเท่าไหร่อะไรต้องรู้ละเอียดเลยนะนะครับตู้นี้ให้หมดนะครับแล้วเงินรวมทั้งหมดเรามีกี่บาทนะครับ ไม่ได้ตามหาเจ้าของได้ถูกจริงๆนะ mm hmm. พราอบางทีอาจจะเป็นผู้อบ้างมาเอาก็ได้ผมเนี่ยเจ้าของนะครับอย่างงี้นะอาจจะแอบอ้างก็ได้ <c oughs> ทีนี้พอมีคนเข้าจะมาเอาคืนใช่ไหมครับอยากเพื่อให้คืนทันทีต้องถามก่อนโ ย, อโยงกระเป๋ายเสียอะไรถ้าเขาบอกไม่ได้ผมไม่ใช่เจ้าของแล้ใช่ไหม mm hmm. ขนาดกระเป๋าตังค์เกินจะไม่ท่านมาเสียอะไรแล้วเกิดมาใช่ไหม <Yeah. S 1> อ้ามีเ ง, งินกี่ตังยู่บาท ผมไม่รู้เหมือนกันยิงน่งรู้ใหญ่เลยอ๋อบอกว่ากัดได้ไหมกัได้ไหมสนั่นแท็กพูนม่วงนะมันมีอยู่ห้าร้อยบอกว่าห้าสิบนี้นะครับหรือว่าห้าพันนี้นะเแสดงมันจะเจ้าของแล้วนะครับนี่นะนี่ต้องไปจับเ ง, งินนี้ไม่ไม่เป็นนามบรตรตะเกียบครับตัวนี้ไม่เป็นครัพิเศษในสีข่ขามตัวนี้นะครับถึงมนันจะเป็นวัตถุอำนาจมากเป็นอะไรก็จับได้อะไรได้นะครับพิเศษในสิ่ขามตัวนี้ไม่เป็นอะไรนี่ อยู่ <c oughs> ในว่นนะครับหรือว่าในีบ้านโยมที่เราไปพักนนี้คือเราเห็นได้ถ้าเป็นมือถือก็ดูให้ดีในยี่ห้อไหนรุ่นไหนอะไรใช่ไหมดูให้ดีแล้วก็ถามให้ของเราใครมีโยมก็มาลืมมือถือไปในห้องนะที่นี่เมา่อก่อนนะพักเราเก็บไว้ให้กอถามว่ามือถือโยมสีอะไรนีครับต้องบอกได้ใช่ไหมรุ่นไห น, <c oughs> นยี่ห้อไหนอย่างนี้นะยี่ห้อไหนข้าวเนะี่ยก็ต้องบอกได้ มาตรวจเที่วที่ว่ามีเงินในตัวตู้อ่ตัวเตียงอ่ะมีตั้งหลายเยูาของอืมครับออมีเยอะแยะไปเลยอ๋อต่อไปนะครับหรือกมันเป็นต้นมันญญากำมันเนี่เขื้อข้อเรื่องจากที่สู่รูปหนึ่งนะครับในสมัยนะั้น มุมาปาพระเจ้าประท้อมอยู่หน้าพระเชตวันอารางของนัทธบิณิกาข้าบดีเข็นครสามวัทีครั้งนั้นพิสูรรูปหนึ่งอาบ น, น้ำในอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำจีรบดีแม้ทางคนหนึ่งวางถุงเงินประมาณห้าร้อยกษัตริยไว้บนบกและลงอ่าบน้ําในแม่น้ำจินบดีเสร็จแล้วได้ลืมถุงซ้ำนั้นไว้ไปแล้วนะครับแกลืมถุงซ้ำ ไ, ไว้ไปเลยนะ จึงพิสูุนนั้นได้เก็บไว้ด้วยสําคัญว่านี้ถึงซับของพานนั้นอย่าได้หาเสีเลยนะครับถ้านปัทนาดีต้องการจากมุขพ่อพานนะก็เลยเก็บเงินมาให้นะครับก็คุ้ยติดคืนเจ้าของอะไรฝ่ายพานนั้นนึกขึ้นได้เรานืมเงินวาตั้งห้าลักเนี่ยรีบวิ่งมาถามพิสูจนนั้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเห็นถึงซับของท้าวพระเจ้าม้างไหมพิสูจนนั้นได้คืนให้พร้อมกับกล่าวว่าเชิญรับไปเถิดขึ้นพานนะครับ ทางฉุดคิดขึ้นได้นในขนะว่ารู้บ่าอย่างไรเนาเราจึงจะไม่ต้องให้ค่าถ่ายร้อยละห้าแกนผูน้หญินี้นะครับแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยใครเก็บตังค์ได้ก็คือเจ้าของเจ้าของก็ต้องให้ค่าถ่ายร้อยละห้าบาทหนึ่งร้อยละห้า่ห้าบาทอนะันนอันนี้มาห้าร้อยเนี่ยให้กี่บาทครับห้าห้ายี่สิบห้าช่ไหมครับ แต่พาราหมณ์นี่แกขี้เหนียวมากนะแกเมีอยจะให้แม่ขี้ซื้อห้าแกไม่รู้เรื่อง้งพรามี์ไมอยู่แล้วมันเป็นอาบาาัติพรามี์ไมอยู่แล้วนะครับแกไม่รู้กลัวแกจะต้องเสียค่าไชนะมันก็ว่าเป็นทำเนียวคนสมัยนะนะครับน้อยนี่ก็ต้องให้เขบห้าบาทอย่างนี้นะก็เลยหาอุบายนะครับจึงพูดเป็นเชิงขู่ขึ้นว่าซื้อของข้าพเจ้าไม่ใช่ห้าร้อยกระสอบของข้าพเจ้าพันกระสอบนรัดังนี้ เนี่ยมันพูดผมขู่พานะนี่ยเราผมต้องพันนะท่านเอาไปหร่าเนะี่ยท่านจะเป็นโจหรือว่าครับหาไปเราบผชั่วมากนะ <c oughs> เข้าสังเกตว่าให้ตัวตนะ้อปรารนาตีอยู่ไม่ต้องการให้เศร้าแกหานีะครับยังกับมาทํำกับผ้าอย่างนี้นะคุณนะคะอันนี้นะดังนี้นะคะแล้วก็ปล่อยตัวผ้าไปค่านมปสู่นั้นไปถึงพาคอารามแล้วได้แจ้งนั่นนั้นแก่ที่สุดทั้งหลายครับเนี่ยนั่นมันมีโทษนี่นะ เ ก, ก็บอะไรให้โยมนอ้ําวันทำทีมีโทษได้ทีนี้บรรดาพิสุทธิ์่เง็นผู้มากน้อยสนโดดจากข้อเท่งติดเตียงพุทธนาว่าฉะนั้นพิสุทจึงได้เก็บเอาสิ่งลัตนาเล่าลนะครับผู้ทรงทรงสอบถามทรงติดเตียนแล้วก็เมตสิขาบทนี้ขึ้นมาถ้าบัญยากาครั้งแรกไม่ได้บอกว่าในที่ไหนนะไม่เก็บเลยนะครับเก็บแดงก็ดีให้เก็บดีซึ์เป็นลัตนะก็ดีซึ่งขอพิสุทธิ์รับลัตนาก็ดีเป็นไปานดี ที่ไหนก็ไม่ได้ทั้นอยา่างทั้งแมครับต่อมาเรื่องของนาวิสาขาครับสมัยต่อมาใานคณะของสารวัตถีมีมหรสศประชาชนต่างประดับประดาตกแต่งร่างกายแล้วพากันไปเที่ยวชมสวนแม่นาวิสาหามิคาระมาตาก็ประดับประดาตกแต่งร่างกายออกสาวบ้านไปด้วยตั้งใจว่าจะเที่ยวชมสวนถ้าใครเนื่องเรื่องนี้นะก็จะรู้ว่านาวิสาขาตอนนั้นใส่เครื่องประดับมหาดา ที่มีค่ามากานะไปนะครับแล้วก็แล้วหัวคิดขึ้นว่าเราจะไปสวนทำไมนเนี่ยเราเข้าเข้าร่วมกาบเจ้าดีกว่าดังนี้แล้วได้เปื้องเครื่องประดับออกห่อด้วยผ้าห่มมอบให้แก่ทางศีนะครับสั่งว่าแม่สาวใช้เธอจึงถือของเครื่องประดับนี้ไว้เครื่องประดับนี้ถ้าบอกว่าหนักมากใช่ไหมมีราคามากนี้ไม่พอหนักด้วยนะครับเนี่ยน้ำวิสาขาก็ทรงไม่ได้นะะ ถ้าสีของน้ำวิสาขานี่ก็สามมาันจะถือไว้ได้เพราะเป็นคนมีกําลังกันนะ ค, คนนีเนี่ยแม่สาวใช้เธอจงถือหออเครื่องประดับนี้ไว้ครั้งแล้วข้าวเฝ้ามุกภาคเจ้าถวายมังคมแล้วนั่งหน้าที่ขุนส่วนข้างหนึ่งผู้หลวงก็ทรงแสดงคำแนะนำวิสาขาฟังนะครับมุกภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นาำวิสาขามีคาถา ผู้นั่นิ่งนอนแล้วหเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริมด้วยธรรมยถาข้ามวิสาขาว่าความทำแล้วนะนะครับประทาประทับศีลลูกจักที่เน่วถวาถล้ำคุ้พระภาคเจ้านะคแล้วก็กลับไปฝ่ายทาสีพคนนั้นได้ลืมห่อเครื่องประดับนั้นไปแล้วนะครับลืมมหาลณาประสาๆไว้ในว่างนะแล้วก็ไปนะครับทิ้งจุดเจ้งหลายพรมเห็นจึงกลางเรื่องนั้นแบบพระภาคเจ้า ม่อ้าเจา้าต่าง่้าัุกอนทุสุดทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงเก็บเอามารักษาไว้นะครับและผู้ทวงก็ส่งอนุบัญญติขึ้นมานะครับว่าเอาเว้นไว้แต่ในวัดที่อยู่ให้เก็บได้นะก็มีสมัยต่อมานะครับเรื่องของคนใช้ของอนาถบิกาก็ดยสมัยนั่นและนาถพิกาข้ามบดีมีโรงงานอยู่ในการสีชนบท และข้าบดีนั้นได้สั่งบุรุษคนสนิทว่าถ้าพุกุญแจทั้งหลายมาเจ้าคงแต่งอาหารถวายครั้นต่อมาพิสุร้ายลูกไปเที่ยวจาริกนการศรีชนบทได้เดินผ่านเข้าไปทางโรงงานของนาธรรมวิธิก้าบดีบุตรนั้นได้รายงานพิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกลเที่ยวขรั้นแล้วจึงเข้าไปหาพิสุเหล่านั้นกราบไหว้แล้วกราบทนาว่าท่านเจ้าข้า ขอพคุณจ้าทั้งหลายจงรับนมิมนฉันปตาหารของท่านข้าพดีในวันพรุ่งนี้พิสุวรรนั้นก็รับด้วยอาการผู้นิ่งนะครับเจียงหรุษนั้นก็สายเข้เขาตกแต่งของเคสของฉันนะอันปน็ี่นะครับลุ่างล่วงลาตีกันไปพอานุ่งช้าใช่ไหมก็สายให้คนไปบอกพัตาการนะครับ แ, แล้วก็ถอนแหวนวางไว้เนี่ยทําไมเขาถอนแหวนะม่ะางที่เข้ า, าวแสงพาขอรบของเขาถอดขึ้นประดับใช่ไหม พอทมูทออกแหวนออกนะครับองคชาพิสุเหล่านั้นด้วยพระตาหารแล้วกล่าวว่านี่มันพคุณเจ้าฉันแล้วกลับได้แม้กระผมก็จะไปสู่โรงงานดังนี้ได้ลืมแหวนนั้นไปแล้ว <c oughs> พิสุทั้งหลายพมเห็นแล้วนะครับก็เห็นแหวนนะอุษากันว่าถ้าพวกเราไปเสียแหวนวงนี้จะหายแล้วได้อยู่ในที่นั้นเองะคร <c oughs> ับขนาะนี้เลยนะครับเนี่ย ทนก็เลยไม่ไปไหนนะครับขั้นบรุษนะั้นกลับจากโรงงานเห็นพิสุเหล่านั้นจึงถามว่าเพราะเห็นไรพระกุญจ้าทั้งหลายจึงยังอยู่ในที่นี้เล่าเขาเล่าจึงพิสุเหนั้นได้บอกเรื่องราวนั้นแก่เขายังไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองวางไวนทิ้งไว้ตรงนี้นะครับคั้นเธอไปถึงพระนครสามวันทีแล้วได้เล่าเรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายได้กลาวเรื่อนั้มาผ้าเจ้าพระองคก็สอนนุบัญญัตินะว่าในที่พักในบานที่พ ก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ทีนี้ก็มาดูคำที่บายสักรำหน่อธิบ า, ายอะไาเนี้ยหน้าสองรอห้าสิบหกนะครับข้อที่สองใกล้ฝั่งทุกทีนะ น, นี <c oughs> ใ่ใกล้ฝั่งนะใกล้จะจบแล้วนะคระับอธิบายนะครับแล้ว รัต น, นสิกขาบทพุณทราบคาอทิบาลสิกขาบทที่สองต่อไปเขารัตนะได้แก่รัตนะสิบอย่างมนะีแก้วมุกามดาเป็นต้นว่ากันแล้วนะครับผมเขียนภาษาบาลีกากับให้นะชื่อว่ารัตนะสมมตินะครับรัตนะส ม, มัตะหมายถึงสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งของผวกมนุษย์นะครับเข้ามาลืมของต้องเก็บนมาให้นะเมื่อก่อนเข้ามาลืมอะไรนะตะบูปัก อะไนะครับมีถุงมีอะไรใส่ด้วยนะนี่ครับไม่ต้องเก็บว่าให้หมดเลยนะคําว่านในวัดก็ดีนะครับอัญชารามีความว่าภายในบริเวณวัดเคราบต้องเก็บไว้กําหนดเอารัร้ว ร, อ, รอบวัดถ้าวัดมีรั้วล้อมใช่ไหมคําว่าเข็บวัดก่อนเนี่ยข้างในรั้วล้อมนะครับว่าไม่มีรั้วก็มึงเอาภายในสองได้ดูบ่าจากปกติเราสุดท้ายเปรี้ยงออกไปนะสองได้ดูบ่าแต่ถแต่นั้นเข้ามานะครับ ถือว่าเป็นเข็มวัด น, นะนี้นะโยถ้าวัดไม่มีรั้วน้องนะเขาจะกำหนดเอาเข็มวั่ดยังไงเขาจะกำหนดเอาเข็มสุดท้ายนะอยู่ที่สุดท้ายของทุกทิศเลยแหละแล้วก็เพี่ยนก้อนนี้ออกไปสองตุ๊บเพี่ยนตุ๊บแรกมันตกที่ไหนก็ที่นั้นนะไอ้ตรงกิ้งไม่เอาหน้าจะต้องตกนะแล้วก็ไป อ, อยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เพี่ยนก้อนนี้มาเต็มแรงเลยนะอีกตุ๊บหนึ่ง มันตกถึงที่ไหนน่ะตั้งแต่ที่นั่นเข้ามาถือว่าเป็นเขตวะดูุติน้ำจุดท้ายนะจุดท้ายสายาน้ทำี่ประท้อยู่แล้วุฏิโง่ไป้านอกทำสองตู้เลยทำก็ไม่ดียนแต่ว่านม่ไม่กินนั่นไม่กินที่โยมครับแม่ผู้ิงไปโดนลังคาไเนา ยกแขนะครับถ้าเป็นเขนบ้านชัดเจนแล้วนะไอเขนบ้านมันก็จะไม่ไปกินเขนบ้านนะครับอันนี้กรณี้ที่เขนบ้านมันอยู่อยู่ไกลไกลบ้านใช่ไหมอันนี้นะครับมันจะโอ้เพี้ยงนะบอกเขนบ้านแล้วบอกเขนบ้านด้วยรู้เร่ครับเดี๋ยวจะมีข้อนะครับเขนบ้านนะพอทำเสร็จ ไม่ได้ตกลงครับเอาพอดีนะถ้าบอกเหมือนกับอะไรนะเด็กวัยรุ่นกำลังกลลองกำลังกันนะครับว่าใครจะมีกาลังเฟี้ยงได้ไกลเหมือนกันนะก็ที่ที่ว่ามันจะเฟื่องได้ไกลนะครับโอ้ค่วันอ๋อค่ะเนี่ยไกลอย่นะครับ คำว่าในที่อยู่ก็ดีอาชารย์ว่สเถคือสําหรับที่พักนะที่พักที่มีรั้วนะครับก็มันเอาภายในเขตรั้วนะครับสําหรับที่พักที่ไม่มีรั้วก็มันเอาระยะที่ศาตกนี่ไงนะครับที่พักสมมุติว่าเป็นบ้านใช่ไหมบ้านมีรั้วล้อมนะครับตั้งแต่ในเขตรั้อเออกมาถ้าบ้านมีรั้วเราเอาที่ศาลตกยู่ดีศาลมันตกได้ยังไงเป็นยังไงครับ ใช่ไหมไล่ดลบไล่การนะครับเปรียงกระด่งหรูอสระหรือไม่ฝาออกมานะไล่ดลบไล่การนะครับสถานที่ไอสาะหรือกระด่องตรงนะตรงน้ำไหลเข้ามานะครับเป็นเขตบ้านทีนี้นะครับบ้านกาหมายถึงเรือนนะนะครับอันนี้จะเรียกว่าอุปจาระเรือนเพื่อความจริงกรเรือนะครับคือเขตในที่นี้นะครับก็ในเรื่องนี้มีวิธีใช้ตอบไปนี้ เมื่อพิสูจน์ถือเอาเงินทองหรือให้ผู้นเก็บไว้ให้ตนเะพื่อตนเองนะครับอ่าตาบันสกียไปดีหมายถึงไปบางสุกุลออกมานนอกวันะนะเอาม า, านนเพื่อต้นเลยนะครับเ mm hmm. ก็บก็ดีใช้เก็บก็ดีเพราะเป็นเงินทองนะ <c oughs> เมื่อเก็บหรือให้เก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์โอ้เาให้พระสงค์นะครับจะเป็นก่อสร้างสาร้างศาลาอย่างเงี้ยนะครับ ขนางห น, าหนหกาในบคคลนะเจดีหรือนวกรรมอันนี้ต้องบัตรทุกกลงนะครับเพราะยังไงก็รัไม่น่ารับเพื่อตอนก็ดีผู้บุคคลอื่นก็ดีต้องเอาบัตรท้นั้นนะครับเมื่อพิสูเถื่อละกนัที่เหลือมีแก้มุกดาเปต้องพวกนี้เป็นทุกกฎวัตถุนะวัตถุทุกกนครับจะเพื่อตอนหรือเพื่อใครก็แล้วแต่ต้องเอาบัตรทุกกทั้งนั้นนะครับซึ่งขอที่เป็น ป, ปิญญา เก็บว่าอย่างไงเนของตกนอกวัดอันนี้ของตกนอกวัดนะที่เป็นกับปิยานะครับเอาว่าอะไรดีนนว่ามือถือ <c oughs> ที่เป็นกับปิ๊ยานนะครับอืมนะที่เป็นอากับปิยา ก, ก็ดีนะคะถึงแม้จะเป็นของมาดานตนเมื่อไปสู่เก็บไว้ด้วยมุ่งความเป็นพันดาวคาริสเป็นเจ้าหน้าที่เบี่ยงขังนยตัวนี้จําไว้นะหมายความว่าเก็บไว้เพื่อจะคืน ว่าเก็บไว้โดยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเป็นเจ้าของนะต้องบัรปางิตีในสุขาบทนี้นะพาะมาอยู่นอกบ้านครับขอบคุณครับที่อยู่นะเราเจอโทรศัพท์ในระหว่าคทางนะครับแล้วไม่เห็นมีคนมาเก็บน้เราใส่ใจว่าเป็นของเค้าไม่สนใจนะก้าวเก็บมาแต่เออเราโทรมาเลยนะนี่เราคืนเขาต้องคืนยังไงต้องคืคือเราบัดปลางิตีจะเกิดขึ้นครับ อ๋อ เ, เกิดขึ้กัเไหมก็ไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปคืนเจ้าของใช่ไหมเราจะบกกังคับคุณเอาเลยนะครับแต่ว่าคอาจริงมือถือเขายัางวินิจฉัยก็ว่ามีทองนะปี น, นั้นครับมีมีมียวมว่าโกอะนะว่าเราไม่เรไม่รับไม่ได้ครัเป็นผภามันต้องแบบมันต้องบริสุทธิ์อย่างมากเลยนะถ้าเรารู้ว่ายังมีเจ้าของและเจ้าของยังห่วงอยู่เราเรารู้อยู่แก่ใจนะ จะไปอ้างอะไรบางสุดคุณไม่ได้นะครับมันเดมันต้องบริสุทธิ์จริงๆนะมันเข้าล้วไม่มีใครจะเอาจริงๆครับถ้าว่าโอ้อยังมีคนโทรมานะยังมีช่องทางว่าเขาจะเอาคืนใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีแล้วก็อะไรบางสุดคุณแล้วดื้อๆเล่ได้ไม่ได้ครับเรื่อสมัยนี้โทรศัพท์ใช้ซิลใช่ไหมครับแต่แล้วไปถอดซิลนย่เงี้ครัครินเจ็ดนาเราเสียไปนะไม่ดี โอ้เจตนาไม่ดีแล้วครับสมว่าจิตนาาจะลักเอาเือนเดมาอ้างเล่ใช่ไหมจะได้มันมีใครตามมาได้เลย อ, อย่าได้เปลี่ยนซิ <c oughs> อันนั้นรู้ว่าวเจะาขอจะหวงใช่ไหม <c oughs> ถ้าเจ้าของใครจะห่วงอยู่นะครับ อ, อันเราลักอนุถายจิตนะตีราคาปาอาบัตดเลยนะ เขาอยู่ไปเก็บเลยอยู่ไปเก็บเลยคเขามันนองว่านยังไงมันต้องอาบัติอยู่แล้วครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งไม่พ้นนะครับความจริงท่านสองสมมือถอมีเงินมีทองใช่ไหมมีทองใช่ไหมครับมีใช่ไหมเขาว่ามีทองตีไก่แล้วมีทองมีทองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเราไม่ได้ครับต้องใช้แบบยืมยืมโยมใช้นะครรับจครับ อันนี้เราพูดถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนาเนกามีเขาบอกว่าถ้าอุปกรณ์ดิจิตอลทุกตัวมันจะมีมีทองอยู่ด้วยเห็นยอมั้นบอกนะแต่สมพงผ์เาบอกว่าอะไรเรียกว่าถ้าดิจิตอลทุกตัวมันต้องมีอเนกการคลาสสิโอ้โหนี่อเนิกาที่เราพ้องนี่นะครับก็ว่าต้องมีไม่ต้องีาีนีอืมครับอ๋อ แต่ว่าม um. ันเแต่บางคนก็บอกว่ามันมันเล็กน้อยมากนะนิดมากก็เลยไม่้่กันแต่ว่าในมือถือหว่าในคอมพิวเตอร์คุงจะเยอะอยู่นะครับท่านในคอมมีมีเยอะอยู่นะอะไรทำให้คือไอ้แรกการเนี่ยพี่สังตามทานเนี่ยแล้วก็ถือว่าเราเราสกุลการงานเอาไม่ไี้แต่น่รกไม่ต้องอาไ เราเข้าใจจริงว่าไม่มีใครเอาแน่แล้วนะมันเห็นก็หลายวันผ่านไปผ่านมาใช่ไหมแลม้วผมมันก็ดูกเก่าแล้วนะเจ้าของคงไม่น่าจะเอาแล้ว่ะนะครับถ้าก็เลยปังสืบคุณนะครับอาจะว่าไม่มีเจ้าของไม่เอาแล้วนะอีมังวัดถุกใช่อัสสามีกลางไม้หังปลาหูนาซีข <laughs> <laughs> องนี้ไม่มีเจ้าของย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าเหมือนกันมันตื่นเลย ึงต่อไปนะครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องเอาก็ไดไถ้ถ้าว่าถ้าวางใจไม่ได้นะไใจต่อไปนะครับอัน ถ, ถึงไหนลนะ่ะโแมทแต่ของแม่ตีวก็ยังไม่ได้ต้องไปตีนะครับแต่ถ้าของเช่นนั้นพี่สูจนท้ายเป็นของตอนก่อนและจะเก็บว่าสมควรอยู่มายถึงของนที่เป็นกัปปิยะนะในของแม่เราหล่นใช่ไหมแล้วก็ แท่ทําาฬิการหล่นว่าอย่างเนี้ยนะก็เป็นถือออกมาถือเอาไปของตอนก่อนนะแล้วก็ไปให้แกทีหลาอย่างนี้ได้ครับไม่ได้เก็บเพื่อจะให้แก่ถือไปของตอนก่อนไดนะ้อันหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าขอท่านจงช่วยเก็บสิ่งนี้นะครับขอท่านจงช่วยเก็บสิ่งนี้เถิดพิสูจนคนท้านว่าไม่ควรก็หมายเพราะว่าโยมก็จะมาฝากของกอภาณนะอันนี้ถึงแม่เข้ามาในวัด น, นะครับ แกจะมางานมาอะไรก็แล้วแต่นะเออพระคุณเจ้าโยขอฝากเลยนะเราไม่ควรที่จะรับฝากของใครโยนะครับไม่รับฝากมันจะเป็นการรับใช้การอะไรโ ย, ยมนะไม่รับเลยนะครับเราบอกโยมไม่ควรถ้าเราฝากของอลไรไม่ได้เราโยมก็อย่าไปโกรธพระถ้าพาาระไม่อยากรับฝากของโยมันเป็นมิจฉาของพระเปไปรับฝากของอะไรโยมไม่ได้เห็นแกโยก็ไปใช้พรฝาก<ยา>ของฝากค <า S 2> อ ครับก็าตเป็น พ, พ่อแม่พราะนี่ก็ไม่ได้นะครับท่านก็ไม่เว้นนะถ้าพวกครือข่าโกรแล้วโยนของทิ้งเดินไปจะเป็นทุลาของพิสุจะเก็บไว้ก็ควรนะครับ<ม>แล้วไม่ยอมเก็บไว้ให้ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่แขกนะครับก็โยนโคมไปน่ะโยไม่รู้โยฝากแล้วนะ <c oughs> แล้วก็เดินหนีไปนะครับ อ, อย่างงี้ล้วก็ดูแลได้นะครับแล้วก็ดูแลได้เพราะเราถือว่าเราปฏิเสธแล้วนี่เขาไม่ได้ใส่ใจแล้วก็เนี่ย ฝากแะ <c oughs> <courtroom> นะครับอย่างนี้ได้นะครับเ <c oughs> นี่ยมันก็มีวิธีนี่แหละหน้าที่ถ้าก็ไม่ต้องอาบันนะครับจากการอย่างสมุดโยมมื่ อ, อ, อก่น อ, อกนที่เคยคิดเหมือนกันว่ามีทุกคนย่าไปาวยวยปสวานทีนี่ก็ใส่บาตรท่านบทีคิดว่าฝากจะฝากของขึ้นไปถวายพระใช่ไหมอ๋อนี่ได้นะนี่ได้เป็นยาโยม ถามผมมาถวายผ้าได้ไหรือไม่จะบอกแบบว่าไป็นเรื่องผจญที่ว่าไม่ได้ไปถวายเสร็จแล้วอ๋อเร็จแล้วเคยคิดว่าเอ๊เราจะใช้ผ้าหรือเปล่าอ๋ อ, อมันเป็นทําให้ผ้าถือว่าเป็นการทําให้ผ้าพเพราะนั่นเป็นประโยชน์ที่เ ก, กิดจากผ้าใช่ไหมมาถึงผ้ารูปนั้นนะ่ะที่รล่าของโยมานะ่ะคือเขาใสา่ใจว่าทําให้ผ้านั้นไม่ได้นำใช้อยูอ่เพราะว่าเขาทำของ แต่ที่หมายถึงว่าของโยมนหะเมื่อก่อนมีโยมเข้ามาพักที่วัดนะครับหรือมาเทีย่ยวนี่ไหะและจก็ฝาของว้เป็นกระสอบเลย <c oughs> ไม่รู้ในกระสอบแกมีอะไร <c oughs> ะกกฝาไว้ถ่าเราจะไม่รับฝานะอครับกนี้เรื่องที่เี่ข้องราจเจออยู และคนนั้นเขาเป็นเจ้าของหมาคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคเจตนาดีว่เจตนาดีครับให้เาเลเก็บ้าเขาถ้าของนั้นมีเจ้าของนะและคนนี้เขาโลภเอาไว้เสร็จเราเลยครับความจริงเก็บยังพอดีใช่เก็บก็ยังไม่ต้องอาบันะครับไม่ไม่ต้องอาบัไม่ต้องอาบันก็ไม่เป็นไรนะ เราว่าอาจจะเกิดระโยู่แกคนเนี่นะเราก็ไม่กล้าเก็บหรมันเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมแต่คิดว่าคงไม่มีเจ้าของแล้วล่ะใช่ไหมครับแล้วมันก็อาจจะเสียหายกล่านี่นะแล้วก็เลยบอกโยมครับ้ก็พอได้ยครับครับแต่ว่าไม่ต้องยุ่งอะไรก็ได้ครับเด็กต้องยืนมันก็ได้ห็นครับเคยเผื่อมีโทษมีอะไรขึ้นมานะเจ้าของเข้ามาเอ้าของเราหายมาไหน เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เรามอกนะเขาเป็นยังไงครับใช่นะครั บ, รรบต่อไปนะครับอันนี้อาพวกช่างไม้เป็นคนดีช่างไม้มาทํางานในวันนะนะครับพวกพรร้ราชการช่วยทํางานวัดเสร็จแล้วนะครับกล่าว <c oughs> ว่าขอท่านนั่งหลายจงช่วยเกี่ยอุปกรณ์หรือเครื่องนอนอย่างใดอย่างหนึ่งเถิดพวกนี้ไม่รู้เรื่องไม่มีสมารถะไม่เคารพท่า น, นะครับ ก็มานอนบ้านแล้วก็ที่น้องที่น้องทิ้งมาอย่างนั้นแหละนะแล้วไม่ให้พระช่วยเก็บให้นะครับโอ้เหลือเ ก, กินผู้ช่างก็เหมือนกันนะทิง้งประกรไม่ไดพระเก็บให้นะครับอย่างนี้ไม่ต้องเก็บให้เลยนะครับต้องไปรำใช้เท่านั้นถ้าบอกว่าทิ้งสุไม่ควตาทําตาเพราะชอบใจบ้างเพราะความกลัวมากนะครับไม่ต้องทํานั้นแล้วก็มันต้องไปกลัวอะไรเพิ่มนะครับจะทำํำผมบอกโอ้ยเนี่ยเราชอบพรใช่ไหม่อาใจเขาทำไมโอ้ราช ก, การมีตังอะไรเงี้ยนะครับ หรือกรัวเขามาทำอันตรายก็ไม่ต้องเก็บเขาเลนะครับแต่ควรจะบอกสถานที่เก็บแสวชนเหล่านะโย่งเกิดตรงนั้นนะนะครับถ้าเขานอนว่ามันใช้เสื่อใช้หมอใช้อุปกรณ์ใช่ไหมเราก็บอกที่เก็บตรงนั้นนะครับบรรดาภายในวัดนะคะและสถานที่พัก ส, สถานที่ใดที่เกิดความระแวงจากเจ้าของทรัพย์ว่าวัสดุของเราผู้ พ, พิสูจน์สมมเนีถือเอาไป เพราะว่าในวัดนะสถานที่ที่พอของ ข, าาข้อหายแหละเขาจะคิดว่าโอ้ท่านในควจะเก็บให้เราบนะ้างนะครับอย่งนี้ในสถานที่แบบนั้นแหละนะครับให้พระเก็บให้ได้ในสถานที่เช่นนั้นนะคะรับพิสูจนเมื่อจะเก็บเองหรือให้ผู้อื่นเก็บต้องทําเครื่องหมายก่อนจึงค่อยเก็บไว้นะครับทําเครื่องหมายมาถือว่าสังเกตลนนะักษณะน่าให้ดีว่าเป็นอะไรยังไงนะครับที่บอกแล้วนะ และควรบอกว่าสิ่งของบุคคลในหายไปบุคคลนี้จงมาเอานะครับประกาศเลยนะจะออกไมค์เลยก็ได้หรือถ้าเขียนขึ้นกระดาษอะไรก็ได้อา้ถ้าเกิดมีบุคคลมาพิสูจน์ควรถามก่อนว่าสิ่งของที่หายไปมีลักษณะอย่างไรเขาต้องบอกหน้าใช่ไห ม, มถ้าก็บอกครบตามลาักษณะเราถึงต้องตามเครื่องหมายควรให้คืนใ น, นว่าเป็นเจ้าของ แต่ถ้าเขาบอกไม่ตรงรตามลักษณะพึงบอกให้เข้าไปหาเอาใหม่นะครับเราบอกแกมือถืออะไสีน้ําเงินใช่ไหมแต่เขาบอกมือถือเนี่นงรวมเป็นสีดำแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของเครื่องนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ให้เขาให้แกไปหาเองนะครับเมือ่อพิสูจน์เมื่อจะหลุดไปจะเาว่านั้นควรฝากของไว้กับพิสูจที่สมควรนะครับ หมายความว่าเราจะออกไปจากวันนี้แล้ น, น่ๆเราไปเก็บของที่เข้าลืมไว้ในวัดนะครับแล้วเจ้าของยิ่มันฉันได้มาเอาแต่นักก็ต้องไปคื่แล้วแล้วก็ฝากไว้กับกเท่าเลยนรูนน่นหนึ่งก็ได้ครับที่สมควรนะที่แกจะไม่เอาไปใช้เองเอลอะไเองนะครับเมื่อไม่มีพิสูจสมควรนะครับควรฝากไว้กับพวกค้าราชกที่เหมาะสมนะแล้วหลีไปเถอะได้ฝากไว้กับโยงวิยา เป็นธุระให้ต่อนะแต่พิสูจนาใ ย, ยังไม่ได้ออกจากวัดเลยหาเจ้าของทรัพย์ไม่พรมนครับว่าเป็นเรือแล้วยังไม่มีใครมาเอาเลยนะเนี่ยสงสัยไม่เอาแล้วมั้งครับมันมีวิธีบริหารม่าทำยังไงควรให้เขารู้เสนาสนะที่มั่นคงนะครับให้วายาไปทำไปร่วมสร้างศาลากันเลยร่วมสร้างศ า, าลาได้ไหมนะครับ <S <S <S พอเจ้าของไม่มาเอาแล้วนี่นี่นะครับก็ค่อยเน้น ให้พาติกรรมมาร่วม ส, สารา้างศาลาอะไรก็ได้อืมเจดหนะีหรือให้ขุดสาให้ร่วมสร้างเจดีนะหรือให้ขุดสาด้วยมูลค่าอซสระนั้นนะครับนะถ้าเวลาผ่านไปเนิ่นนานตัง้งหกเดือนนะครับเจ้าของนึกขึ้นมาได้สงสัยเราไปลมทิ้งไว้ที่วัานั่นนะแล้วก็มาตามหานะครับจนเนี่ยมาถามแล้วก็บอกเข้าไปนะเจ้าของมาพบพิสุขควรชี้แจงและบอกให้เขาโน้มนา โอ้ยโยมอาตมาบอกว่ายาไปผาติกรวนั่นน ะ, นะอาบร่วมสร้างาาศาลานี่ร้อยแล้วย้อนมุทนาถึงน่าเป็นมุสอของโยมด้วยนี่นถ้าเขามายอมนุ่มมุทนาด้วยนะไม่นุ่มมุทนาหรอกโยมจะเอาคืนให้ได้ไม่รู้พุทเจ้าไปทํำอะไรอย่างนี้ยังไงเนี่ยมั น, นของโยมนะมันคืนนะครับเ <c oughs> ขาไม่นุ่มมุทนานะครับ <c oughs> ทวงอยู่ว่าท่านจงให้ซับแก่เราต้องช่วยกันหาทรัพบอื่นคืนให้แก่เขานะครับ ก็ต้องใช้นี่นใช้เอาไม่ได้พ่อเราไปเป็นคนอนุมัติเองที่มันต้องรับผิดชอบนะครับมันใครมีอยู่วัดแห่งหนึ่งไหมโยกก็มาลืมทองไหมนครับส่้อยทองนะสร้อยคอทองคํานะครับแล้วพระก็เข้าใจว่าถ้าคงรอเวลาแล้วนับไม่เห็นเจ้าของเลยนะครับไม่เห็นมีใครมาเอาคืนเลยใช่ไหมลามก็ผ่านไปแล้วท่านก็เลยให้โยกไปสร้างกุฏินะครับสร้างกุฏิหลังหนึ่งนะ เป็นเจ้าของมาเจ้าของมานะครับก็เลยมาหาว่าเอาไปทํำเลยก็รู้ว่าภาคไปสร้างกุฏินะครับแกก็แมนโมทนานะแกจะเอาทองแกคืนให้ได้ก็ไปสร้างกุฏิแล้วนะครั บ, ก, ก, นะรบก็จะเอาเงินคืนให้ได้เลาค ก, ก็เลยบอกโยมเลยให้ไปนั่นนะให้ไปลื้อกุฏิเอาไปลื้อกุฏิเอาก็แล้วกันนะถ้าไม่รู้จะเอาอะไใช้นะครับท่านก็เลยบอกให้โยมไปรื้อกุฏิเอา เพราะตอนนี้มันการฤกติแล้วนะนายก็แก้ okay, มาในมรณานะอันนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ครับแต่ว่าไม่ไม่ควรที่จะอ้างเล่นนะว่าถ้าเราบอกให้เขาเป็นฤกตนะิเขาต้องไม่กล้าแน่นอะนใช่ไหมนะครับมันจะได้เราจะได้พุดไปเลยนะใครได้ไม่กล้าพูดนะครับ <c oughs> ไม่ควรที่จะทําอย่างงั้นนะครับไม่ควรจะอ้างเร่ห์นนะให้บอกไปตามตรงถ้าเขาไม่สะดวกที่จะเป็นฤกติสมองกลัวบากวกรรมใช่ไหม เราไปสางกับปีสงแล้วนะครับแล้วก็ของอย่งอื่นไปช่ว ย, ชยใช้แก่นะครับเนี่ยโยมตมามีแต่อาหารมิตรบาลของเล็กน้อยนะรอเพื mm hmm. ่อนอนดียอัตมารอได้รับแจงจับสลากค่ะจะบอกใ้พางอื่นช่วยกันเ <laughs> <laughs> นี่ยคนะถังสองถังรวบรูมเรื่อยๆนะครับเ mm hmm. มื่อไหร่ค้องก็มันนั่นแหละนะ้า mm hmm. โยไม่ต้องรีบอัตมาก็ไม่มีอะไรหรอกเขาน่าจะเห็นใจอยู่นั่นเอง ให้องฝากพี่กลองครับต้องฝากกันที่บุ๋มให้ของได้ไหมครับให้ของคนอื่นไ้ไหมครับให้ของคนอื่นความจริงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะต้องให้ให้ให้ของเรานะครับของเราหรือว่าช่วยกันนะนะครับเพื่อนช่วยกันนะครับหากรบพิญาพันมาคืนให้แก่ เหตุเกิดประเทศอาบัตนะสิขาบทนี้พึ่งพระธาตเจ้าทรงเป้าพิสุรูปหนึ่งในเมืองสาวบถีครับบัญญัติไว้แล้วก็รเหตุคือการเก็บลัตนาไว้สิขาบทนี้มีอนุบัญญัติสองคือเว้นไว้แต่พิสุนะครั บ, รบเก็บได้ในวัดมีสถานที่พ้ะเก็บได้ น, นเป็นสาธารณนบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับสาธาติกาใช้ก็เป็นใช่ไหม เก็บเองก็ดีใช้เก็บก็ดีต้อนแบบนั้นนะครับเมื่อพิสูจน์ไม่ยอมเก็บสิ่งของที่ตกอยู่ในสถานที่ที่พระพาเจ้าสรงอนุญาตไว้หรือไม่ใส่ใจต้อนบรรทุกกฎนะครับนี่ไม่มีปัญหาประมาณทีของที่ตกเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าบาทอย่างนี้นะครับซึ่งเจ้าของเขามาเอาไม่มาเอาแน่นอนรู้ทั้งรู้ใช่ไหมครับเมื่อก็ไม่มีนะและแกไม่ได้ใช่หลงไม่ใช่ลืมครับตั้งใจจะเอามาบูชาเลย มาวางไว้ที่โบส น, นะมุมนั้นมุมนี้นะครับแต่เมื่อก่อนนะครับออันนั้นมันจะต้องเก็บหรือเปล่าก็เลยเ่อาใจว่าไม่ต้องเก็บนะครผมว่าไม่ได้เก็บกันนะไม่ได้เก็บกันเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้าเอาอยู่แล้วมันแค่บาทสองบาทที่ก็ห้าบาทอย่างนี้นะก็ไม่ได้เก็บตรงนั้นเข้าใจว่าไม่เป็นอาบัตินะครับเก็บเพราะรู้ต้องรู้นะว่าเจ้าของเขาไม่มาเอาอยู่แลนะครับเขาเขาขายครับคือ แตจำจำคนะหมอคิดว่าอย่างนี้อาจารย์คือว่าของในวัดเนี่ยเขาต้องเป็นระเบียบทุกคนครับก็เคยเห็นว่าตจำเนี่ยมีมีคนที่ว่าเอาเอาเหรียญมาทิ้งไว้ปล่อยเลยอืมครับก็ไม่มีเก็บครับผมยังนึกว่าถ้าไม่เก็บจะต้องเป็นระบียทุกคนครับอันนี้ยเผมความเขจาใจส่วนตัวกว่อนะความเข้าใจว่ามนตรฐาครับพราเราเก็บเราจะไปให้ เพราะเราบอกว่าเก็บเพื่อเจ้าของตามคือคำแบบนี้น่ะเก็บเพื่อเราจะคืนเจ้าของใช่ไหมครับอันนี้เก็บไปสร้างกุฏิเราสองวานนะถ้าเราดูตามหลังแล้วนะครับที่เกี่ยวกับการเก็บนะถ้าบอกให้เก็บคืนเจ้าของเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเจ้าของไม่เอาเลยครับก็เลยเข้าใจว่าไม่ไม่นะครับไม่เป็นนะเพราะว่าซ้ํามันแค่ไม่เยอะนะ ทีนี้แต่ว่าถ้าเข้าไปบูชาเจดีย์หรือว่าบูชาพระพุทธรูปที่โบดอย่างเงี้ยนะแล้วก็กบบบอกวายังไม่เจนนริญกรรัาธิกไปเก็บลราอย่าไปเก็บเองนะคนะอันนั้นรต้องรู้ว่าเขาบูชาใช่ไหมเราให้บวยญาเป็นคนจัด ก, การนะครับบุญญาคนจัดการก็เข้าไปเข้าส่วนของเจดีย์แหละนะครับอนณาบัตรนะครับพิสูจไม่ต้องอาาบัติเมื่อเก็บในสถานที่สอวน ญ, ญากนะครับไม่ได้ สถาที่ในว่างหรือว่าในที่พักเรสามารถเก็บไม่ได้นะครับเก็บไว้คืนเจ้าของอันนี้ต้องอันเดียวกันนะเก็บในสถานที่ต้องอนอุญาตไว้คืนเจ้าของที่สูจนถือเอาสิ่งของที่สมมุติว่าเป็นลักษณะ น, นะครับอันสามเราจะจับต้องได้ในวิสาสะจําได้ว่าเนี่ยของใครนะครับอ้ของเพื่อนเราเองนะครับก็ไปถึงวิาสาสะมานอกบ้่นนะนะได้นะครับ หรือโดยเป็นของยืมนะครับถือมาได้ขอยืมนะเดี๋ยวคืนให้นะครับ น, นี่แ้กถือเอาด้วยสาคัญว่าเป็นของมรสุคุณมรสุคุณมาเลยนะครับและที่สุจบ้างเป็นต้องนะก็ไม่ต้องอาบาัตรองอาา้าบัตรสิค้าคันนี้มีองค์สี่เหล่านี้คือหนึ่งไม่มีเหตุที่ส อ, องอนุญาตนะครับสองเป็นสิ่งของบุคคลอื่ น, นสามไม่ได้ถือเอาโดวยวิาสาสะหรือเป็นของมรสุคุณสี่เก็บเองหรือให นเะ พ, พื่อจะคืนเจ้าของเมื่อครอบองศ์ศีก็ต้องบังพายีตีในศะิขาบทนี้ครับสมมุติฐานเป็นต้นเหมือนกับสัมจิริตตาสิขาบทแรกอา้าวเท่าไหร่ครับจิสัมจิริตตาศขาบทมีทุกข้อเลยสมุติฐานถ้าหกเลยครับมีทฐานถูกต้องครับทุกข้อเลยนะการการจาการวาจาใช่ไหมครับ อ, นะอ่นไม่มีจิตเป็นไหนครับไม่มีจิตมีแต่กายวาจาหรือว่ากายวาจา ไม่มีจิตในปนี่ยครับ่มมีจิตยินไงไม่แน่ที่บานยิ่มันจิตบอกว่าไม่มีจิตในปัญญาไม่เห็นมีสีโกติกาอะไยนะครับเรารม่ไครับเป็นยังไไม่มีจิ ต, จ ต, จ ต, ท, จตที่จะเอาเราเก็เพื่อจะคืนเจ้าของนีง่ที่เปน็นนาบัญญที่นี้ครับ คนอื่นคนอื่นไม่มีจิตนะถ้าเพืเ่อนื่อนจะข อ, ขอมันก็มีจิตก็มีจิตนะครับเก็บไว้เฉยๆก็มีจิตเนปะ็นอะไรที่แล้วก็ไม่มีจิตอะไรทั้งอย่างไนะม่แต่งของม า, นานดาตัวเองก็ไม่ได้หมดนะครับ ห <c oughs> รือว่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะไม่ใช่ถานที่ที่จะเก็บได้แต่เราเข้าใจเป็นฐานที่ที่เก็บได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะเราไม่เข้าใจผิดนะครับเหมือนก็ไม่ได้จงจะจะล่วงละเมิด อ, อันนี้แหละนะ <c oughs> แต่ไม่เข้าใจผิดว่าโอ้ฐานนี้เอมันก็ที่พักนี่แล้วเก็บได้ใช่ไหมครับทั้งที่ไม่ใช่ที่พักหรอ ตัวเเดินทางไปแล้วก็เมื่อยก็เลยนั่งพักนะใต้ร่มไม้โอ้มันที่พักเลยนี่ก็จะไม่ได้นะสัมว่าที่พักแล้วนะครับท่านก็เลยท่านที่ทไม่ใช่ทิพพักงั้นนะก็เลยเก็บให้ครับเขาที่ว่าไม่มีจิตใช่ไหมยอย่างนี้ถ้ามันจรรู้ทั้งรู้แหละมันไม่ใช่ที่ที่จะเก็บกไม่ใชที่ที่สอนุ่านะครับแล้วก็ไปเก็บให้อันนี้นะครับจบการที่บาลุต น, นาสิกขาบทข้อนี้ก็จบ